สังคาทิเศษสิกขาบทที่สิถามพระผู้มีพระภาคอราหารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาทิเศษเพราะภิกษุณีส่งเสริมกล่าวชักชวนว่าแม่เจ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายจงอยู่คลุกคลีกันอย่าแยกกันอยู่ยังไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้ง